ผู้ศึกษาศึกษาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมตณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปโบชให้ศึกษามานาผู้ศึกษาศึกษาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมต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 มีอายุครบ12ปีผู้ได้ศึกษาศึกษาในธรรมหข้อตลอดสองปีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติในศึกษาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานศึกษาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิษุณี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 เป็นปฐมปาราชิกสมุทฐานสิกขาบทที่10ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้สหชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปทั้งไม่ให้ผู้อื่นพาลีกไปณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารลบใครตอบทรงปรารลภิกษุณีทุนลนันธา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 ผู้ยังไม่ได้ศึกษาศึกษาในธรรมหข้อตลอดสองปีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้ครูมารีอายุครบ20ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาศึกษาในธรรมหข้อตลอดสองปีในศึกษาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานในอาบาตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานศึกษาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่พิสุนีบวชให้คุมารี อ, อายุครบ2ี่ปีผู้ได้ศึกษาศึกษาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วแต่รงยังไม่ได้สมมตณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้กุ ม, มารีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาศึกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติในศึกษาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาส ม, มุทฐานในอาบัตหกส ม, มุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐา น, มมานศึกษาบทที่สี่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 บทให้กุลธิดาในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสาสมุทฐานสิกขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้มีพรรษาครบสบสองแล้วแต่รงยังไม่ได้สมมติบวชให้กุลธิดาณนะที่ไหน ตอบทรงบัญญัติเนครงสาวัถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราภพิษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุณีหลายรูปมีพรรษาครบ12แล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติโบวชให้กุลธิดาในสุ ข, ขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานเป็นทุติยปาราชิกสมุทฐาน สิกขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้อันภิกษุณี ส, สงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าท่านยังไม่ควรบวชให้คุลทิดารับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารพภิกษุณีจันทกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุณีจันทกาลีอันภิกษุณีสงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าท่านยังไม่ควรบ่นให้คุณละทิดารับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทานแห่งอาบัตหสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานสามสมุฐานสิกขาบทที่7ถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บอกสิกขมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเราก็จะบวชให้เธอภายหลังไม่บวชให้ทั้งไม่ขนขวายชช่ให้บวชให้ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารคใครตอบทรงปรารคภิกษุณีถุนลนันธา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 ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ชักชวนสิกขมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจักติดตามเราตลอดสองปีเราก็จะบวชให้เธอภายหลังไม่บวชให้ทั้งไม่ขนขวาใช้ให้บวชให้ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารคใคร ตอบทรงพระรบภิกษุณีทูนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูนลนันทาชักชวนศิกขมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจักติดตามเราตลอดสองปีเราก็จะบวชให้เธอภายหลังไม่บวชให้ทั้งไม่ขนขวายชใช่ให้บวชให้ในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐานอยงอาบาตหสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐาน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 ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวให้สิกขามานาปีละสองรูปในสิกขาบทที่สิบสามนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแหน่งอาบัตหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสสมุธฐานปุมาลีภูตะวักที่8จบ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 ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่พิสุนีผู้โดยสารยานพาณนะณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสุนีฉะพาักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุนีฉะพักคีโดยสารยานพาณนะในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐาน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 ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้เครื่องประดับเอวในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานใน่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโล ม, มัสสมุทฐานสิกขาบทที่4ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแกภิกษุณี ผู้ใช้เครื่องประดับของสตรีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารุปใครตอบทรงปรารุปผู้พิสุณีฉัพัก ค, คีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุณีฉัพัก ค, คีใช้เครื่องประดับของสตรีในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐาน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 ทรงบัญญัติปลาจิตตีแก่พิษุณีผู้สงสนานด้วยแป้งอบกลิ่นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิษุณีฉาพาักีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุนีฉาพาักขีสงศนานด้วยแป้งที่อบกลิ่นในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน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 ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ใช้หญิงครงหัสถให้บีบนวดณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใช้หญิงครงหัสถให้บีบนวดในสิกขาบทที่10นั้นมีหนังพระบัญญัติบรรดาสมุทรแห่งอาบัตหกสมุฐาน เด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโร ม, มาสมุทฐานสิกขาบทที่11ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้มีขออนุญาตก่อนนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารคใคร ตอบทรงปราบระภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม่ขออนุญาต ก, ก่อนนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุในสิกขาบทที่11นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทรฐานสองสมุทฐานเป็นกถินณัสมุทรฐานสิกขาบทที่12ถาม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 ถามปัญหาภิกษุที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสในสิกขาบทที่12นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาดหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นปะทะโส ธ, ธรรมสมุทฐานสิกขาบทที่13ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณี ผู้ไม่มีผ้ารัฐฐานเข้าหมู่บ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปราบรบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไม่มีผ้ารัฐฐานเข้าหมู่บ้านในสขาบทที่13นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐาน เพอหนเกิดทางกายไม่จะเกิดทางวาจาไม่จะเกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจาเจตุปาหณวักที่9จบคุตตะศิขาบท9ก้าวักจบ ปาจิติยักกัน96้สิกสิขาบท 1. และสุนวัสิกขาบทที่1ว่าด้วยการขอกระเทียมสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถอนขนในที่แคบสิกขาบทที่3ว่าด้วยการสัมผัสสิกขาบทที่4ว่าด้วยการใช้ท่อนยางสิกขาบทที่5ว่าด้วยการใช้น้ําชําระสิกขาบทที่6ว่าด้วยการโปรนิบัติสิกขาบทที่7 ว่าด้วยการขอข้า ว, sí. วาเปลือกดิบสิกขาบทที่8ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระออกนอกฝ้าสิกขาบทที่9ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระออกนอกกำแพงสิกขาบทที่10ว่าด้วยการดูการขับร้องฟ้อนรำสองอันธการะวักสิกขาบทที่1ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่มืดสิกขาบทที่2ว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบัง สิกขาบทที่3ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้งสิกขาบทที่สว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับสิกขาบทที่5ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของสิกขาบทที่6ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของสิกขาบทที่7ว่าด้วยการปูราดโดยไม่บอกสิกขาบทที่8ว่าด้วยการให้ผู้อื่นโพธนาสิกขาบทที่9 ว่าด้วยการสาบแช่งตนเองและผู้อื่นสิกขาบทที่10ว่าด้วยการร้องไห้ทุบตีตนเอง 3. นักวักสิกขาบทที่1ว่าด้วยการเปลือกายอาบน้ำสิกขาบทที่2ว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาดสิกขาบทที่3ว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บสิกขาบทที่4ว่าด้วยการไม่ผลัดเปลี่ยนสังคาติตามกาหนด สิกขาบทที่5ว่าด้วยการห่มจีวรสับเปลี่ยนกันสิกขาบทที่6ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวรลาบของคณะสิกขาบทที่7ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบทำสิกขาบทที่8ว่าด้วยการให้สมณะจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุณีสิกขาบทที่9ว่าด้วยการให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรการสิกขาบทที่1ิบ ว่าด้วยการคัดค้านการดอกกรถินที่ชอบธรรม 4. ตัววัตะวักสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกันสิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหม่มสิกขาบทที่สว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญสิกขาบทที่สว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณีสิกขาบทที่ห้า ว่าด้ยวยการฉุดลากออกสิขาบทที่หกว่าด้ยวยการอยู่คลุกเคลียกับครหันสิขาบทที่เจ็ดว่าด้ยวยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่หน้าหวาดระแวงภายในรัฐสิขาบทที่8ว่าด้ยวยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่หน้าหวาดระแวงภายนอกรัฐสิขาบทที่เก้าว่าด้ยวยการเที่ยวจาริกไปภายในพัรษาสิขาบทที่สิบว่าด้ยวยการไม่หลีกจาริกไป หจิตตคารวักสิกขาบทที่1ว่าด้วยการไปดูโรงละครหลวงสิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ตังหรือแท่นสิกขาบทที่3ว่าด้วยการกรอได้สิกขาบทที่4ว่าด้วยการช่วยทําการขนขวายเพื่อครหัดสิกขาบทที่5ว่าด้วยการไม่ช่วยระ ง, งับอธิกรณ์สิกขาบทที่6ว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟ้อนเป็นต้น สิกขาบทที่7ว่าด้วยการใช้ผ้าซับกระดูแล้วไม่สละสิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่สละที่พักสิกขาบทที่9ว่าด้วยการเรียนเดรชาณวิชาสิกขาบทที่10ว่าด้วยการสอนเดรชาณวิชา 6. อารามวัคสิกขาบทที่1ว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการด่าบริาพาสภิกษุ สิกขาบทที่สว่าด้วยการบริภาคคณะสิกขาบทที่สว่าด้วยการฉันของเคี้ยวของฉันเมื่อห้ามพัตาหารแล้วสิกขาบทที่หว่าด้วยความหวงตระปูนสิกขาบทที่6ว่าด้วยการอยู่จําพรรษาในอาวาที่ไม่มีภิกษุสิกขาบทที่7ว่าด้วยการไม่ประวรณาในสงสองฝ่ายสิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่รับโอว่าเป็นต้น สิกขาบทที่9ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถเป็นต้นสิกขาบทที่10ว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้า 7. คัพพนีวัคสิกขาบทที่1ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีคันสิกขาบทที่สองว่าด้วยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมสิกขาบทที่3ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมหข้อตลอดสองปี สิกขาบทที่4ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาที่สงยังไม่ได้สมมติสิกขาบทที่5ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า12ปีสิกขาบทที่6ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบ12ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาสิกขาบทที่7ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวที่สงยังไม่ได้สมมติสิกขาบทที่8 ว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอดสองปีสิกขาบทที่9ว่าด้วยการไม่ติดตามประวัตินีตลอดสองปีสิกขาบทที่10ว่าด้วยการไม่พาสหชีวินีหลีกไป 8. กุมารีภูตวัคสิกขาบทที่1ว่าด้วยการบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า20ปีสิกขาบทที่สองว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่ยังไม่ได้ศึกษาในธรรมหกข้อ สิกขาบทที่3ว่าด้วยการบวชให้คุมารี Manager ที่สงยังไม่ได้สมมติสิกขาบทที่4ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า12เป็นปวัตินีสิกขาบทที่5ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ12เป็นปวัตินีแต่สงยังไม่ได้สมมติสิกขาบทที่6ว่าด้วยการบ่นว่าภายหลังสิกขาบทที่7ว่าด้วยการบอกสิกขามานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้ Hi สิกขาบทที่8ว่าด้วยการบอกสิกขามานาให้ติดตามตลอดสองปีแล้วไม่บวชให้สิกขาบทที่9ว่าด้วยการบวชให้สิกขะมานาผู้คุกคีกับชายสิกขาบทที่10ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาตสิกขาบทที่1 1ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาด้วยการให้ปาริวาสิกะชันทะสิกขาบทที่12 ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาทุกๆปีสิกขาบทที่13ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาปีละสองรูป 9. ก้าชาตุปาหณวัคสิกขาบทที่1ว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเทา้าสิกขาบทที่สองว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะสิกขาบทที่3ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับเอว สิกขาบทที่4ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับของสตรีสิกขาบทที่5ว่าด้วยการใช้ของหอมเครื่องย้อมผิวสิกขาบทที่6ว่าด้วยการใช้ผงแป้งอบกลิ่นสิกขาบทที่7ว่าด้วยการให้บีบนวดสิกขาบทที่8ว่าด้วยการใช้สิกขามานาบีบนวดสิกขาบทที่9ว่าด้วยการใช้สามเนรีให้บีบนวดสิกขาบทที่สิบ ว่าด้วยการใช้หญิงครหัตให้บีบนวดสิกขาบทที่11ว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อนสิกขาบทที่12ว่าด้วยการถามปัญหาภิกษุโดยไม่ขอโอกาสสิกขาบทที่13ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดทันรวมวักที่มีในปาจิตติกัน 1. นึลสุนวักส 2. งรัตันธการวัก 3. นหานวักสีตัววัตวักห้จิตตาคารวักห 6. อารามวักเจคพินีวักแปกุมารีภูตวักเกชัตุปาหานวัก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 ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผว้พิษุนีฉาวพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พว้พิษุนีฉาวพคีออกปาขอเนอยใสายมาฉันในปาฏิเทสนิยสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธานในอาบัตหกสมุธานเกิดด้วยสมุธานสี่สมุธานปาติเทสนิยสิกขาบทที่สอง ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอน้ำมันมาฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุณีชาวพคีถามเพราะเรื่องอะไร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 ทรงบัญญัติปาติเทศนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอน้ำพึ่งมาฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉะพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉะพักขีออกปากขอน้ำพึ่งมาฉันในปาติเทศนิยะสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ บรรดาสมุทฐานใน อ, อาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐานปาติเทสนิยสิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทสนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอน้ำอ้อยมาฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครุงสาวัตถีถามทรงปรารลใคร ตอบทรงปรารบพวกพิษุนีชาพาัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุนีฉาพาัคีออกปากขอน้ำอ้อยมาฉันในปาติเทสนียสิกขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานในอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐานปาติเทศนียสิกขาบทที่หถาม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 ทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบพวกพิษุณีฉะพักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุนีฉะพักคีออกปากขอเนื้อมาฉันในปาติเทศนียะศึกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธานแห่งอาบัตหกสมุธานเกิดด้วยสมุธานสี่สมุธาน ปาติเทศนิยศึกขาบทที่เจถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอนมสดมาฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราลบพวกภิกษุณีชาวักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกพิษุนีชาพักขีออกปาขอนมสดมาฉันในปาฏิเทศนิยสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแน่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐานปาฏิเทศนิยสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาติเทศนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกป่าขอนมเปรี้ยวมาฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติพนะรุงสาวถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุณีชาพาคัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉาพาคัคีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันในปาติเทศนิยะสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 รวมสิกขาบทที่มีในปาติเทศนิยกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาติเทศนิยะแปสิกขาบทด้วยพระองค์เองคือปาติเทศนิยะสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการออกปากขอเนยใสปาติเทศนิยะสิกขาบทที่สองว่าด้วยการออกปากขอน้ำมันปาติเทศนิยะสิกขาบทที่สว่าด้วยการออกปากขอน้ำผึ้งปาติเทศนิยะสิกขาบทที่สี่ ว่าด้วยการออกปากขอน้ำอ้อยปาฏิเทศนิยสิกขาบทที่หว่าด้วยการออกปากขอปลาปาฏิเทศนิยสิกขาบทที่6ว่าด้วยการออกปากขอเนื้อปาติเทศนิยสิกขาบทที่7ว่าด้วยการออกปากขอนมสดปาติเทศนิยสิกขาบทที่8ว่าด้วยการออกปากขอนมเปรี้ยวสิกขาบทที่พิดารณในพิขุวิพัง ย่อลงในพิคุณีวิพังกัฏะปัญญติวาระที่หนึ่งจบ